ถ้าหากใครสามารถกำจัดได้หมดสิ้นก็จะเป็นคนมีความสุขมากที่สุดแต่วิสัยของปุถุชนเราไม่สามารถที่จะกำจัดความกลัวเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้เพียงแต่ทำให้มันน้อยลงอย่าให้มันมากจนผิดปกติเพียงเท่านี้ก็ดีถมไปความกลัวต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้น้อยลงได้ทั้งทที่เรายัางแก้ที่เหตุภายนอกไม่ได้ก็ตาม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 ผู้ที่มีดวงประทีปอันนี้อยู่ในมือเขาสามารถที่จะเดินไปบนกองไฟที่มีเปลวไฟลุกโชนช่วงแต่ตัวเขาเองจะไม่รู้สึกร้อนเลยหรือบางคนถ้าจะร้อนก็ร้อนน้อยไม่ถึงกับพองหรือไหมทั้ทงนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่องของชีวิตลึกซึ้งแค่ไหนถ้าเข้าใจเรื่องของตัวเองลึกซึ้งจนกระทั่งสามารถที่จะนั่งสมาธิได้ทุกเวลาและทุกโอกาส ความร้อนแห่งเปลวไฟกล่าวคือความทุกข์ต่างๆนั้นมันจะกลายเป็นน้ำฝนอันสะอาดที่กำลังโปรยลงมาจากท้องฟ้าทำให้บรรยากาศเย็ยนลงและทำให้พฤกษชาติทั้งหลายสวยสดงดงามการศึกษาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาให้ถูกวิธีแล้วจะต้องได้ผลดังที่กล่าวมานี้จะมากหรือน้อยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละบุคคล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 ความรักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งคล้ายกับเจ้าแม่อุมาซึ่งในยามที่ให้คุณเจ้าแม่อุมาก็จะปรากฏอยู่ในร่างที่สวยที่สุดจะหายิงดดนในสามโลกสวยทัดเทียมไม่มีเลยแต่ในยามร้ายเจ้าแม่อุมาก็จะปรากฏอยู่ในร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวชอบกินเลือด ก, กินเนื้อซึ่งจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าแม่กาลีคนที่เข้าใจปรัชญาของพรามถูกต้องละลึกซึ้งนั้นเขาจะมองเห็นว่า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 การสอนให้คนละความยึดถือไม่ว่าในเรื่องอะไรจะต้องถือหลักอันนี้ไว้เสมอทุกคนเป็นห่วงตัวเองกล่าวคือกลัวแก่กลัวตายกลัวจนกลัวลำบากและกลัวอื่นๆอีกหลายอย่างความกลัวทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะนึกถึงตัวเองยึดถือในตัวเองเข้าใจว่าตัวเองที่ยึดถือไว้นั้น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 การใช้เครื่องสำอางการดูแลตัวเองนั้นอากเราต้องอยู่ในสังคมก็ยังเป็นความจําเป็นเหมือนกับการรีดผ้าหรือวีผมนะครับทุกสิ่งจะมีโทษหรือไม่อยู่ที่เจตนาต้องยอมรับว่าผิวพรรณที่ผ่องใสดูดีนั้นมีผลต่ออาชีพหลายอย่างที่ทำให้ดูน่าเชื่อถือดูน่าเข้าหาและแม้แต่การไปสมัครงานก็มีงานวิจัยนะครับว่าคนที่ผิวพรรณดี